เวลาเรียนธรรมะนะเรียนมีคนอยู่สองพวกที่เรียนยากพวกหนึ่งติดสมถะเพ่งนิ่งนิ่งฝึกให้จิตมันนิ่งซึมๆมอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนแนะม่ก็แข็งแข็งทื่อท่จิตที่นิ่งน่งซึมซมแข็งแข็งทื่อทื่มันเป็นอากุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลนะต้องมีความเบา ความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะจิตชนิดซื่อซื่อบือ้อทือท่อๆแข็งๆซึมๆอะไรเนี่ยนะจิตตัวนี้กวางการปฏิบัติใช้ไม่ได้เลยแล้วนักปฏิบัติสมัยก่อนนะนักปฏิบัติเกือบร้อยล ร, ยรย้ติดอยู่ตัวเนี้ยอยาก็นั่งสมาธิให้มันนิ่งซึมๆไว้ทั้งวันทั้งคืน เนี่ยพวกที่ติดสมถะอย่างนี้จะเรียนอะไรไม่ได้เรียกว่าใครๆจะาวิช า, าร้น่นถ้วยก็มไม่เชิงนะใจมันปิดใจรับอะไรใหม่ๆไม่ได้อีกพวกหนึ่งที่เรียนยากพวกคิดมากคิดตลอดเวลาเลยนะวิเคราะห์หาเหตุหาผลตลอดเวลาเลยพวกคิดมากเนี่ยถ้า หคิดมากตั้งแต่อย่างหนุ่มอย่างสาวนะตอนแก่ยิ่งคิดมากหนักเข้าอีกเงินพออายุเยอะขึ้นจริงๆนะเรียนธรรมะ ย, ยากขึ้นเพราะว่ามันติดในความคิดความเห็นเก่าๆเนี่ยเยอะนี่พระเจ้าท่านบอกว่าคนอายุมากนะที่จะเรียนกรรมฐานเรียนภาวนาแล้วรับอะไรง่ายๆเนี่ยหายากมีองค์หนึ่งเป็นเอตทักคะคือพระราธะ ท่านบวชเมื่ออายุมากนะแต่ว่าใจท่านอ่อนโยนกับธรรมะพระสารีบุตรไปอุปชานะสอนอะไรท่านก็เชื่อฟังนะให้ปฏิบัติอะไรท่านก็ทําไม่ดือ้อปกติพออายุเยอะขึ้นนะยิ่งดื้อมากขึ้นเซลล์จัดเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางคนไม่ทันแก่ก็เซลล์จัดแล้วนะจะติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในความเห็นติดอยู่ในความเชื่อของตัวเอง พวกนี้คือพวกชาลนุนถ้วยตัวจริงที่จะเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้ดังมั้น ม, มีคนสองยมพวกนี้แหละถึงมาเข้าคอร์สนะก็หาอะไรดีขึ้นไม่ได้พวกติดเพ่งพวกหนึ่งนะพวกติดในความคิดความเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองนี่เป็นโรคร้ายแรงเลยพวกติดสมถะนะครูบาอาจารย์ยังเมตตานะยังพอพยายามแก้พวกเซลจัด เจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ท่านปล่อยเลยท่านสู้ไม่ไหวเหมือนกันจะสู้คนคนหนึ่งเนี่ยใช้แรงมากกว่าสอนคนปกติ10คน20คนซะอีกงั้นเราต้องอย่า ย, ยึดถือความคิดความเห็นความเชื่อของตัวเองมากนักครูบาอาจารย์รุ่นโบราณท่านเปรียบเทียบเจ็บๆเลยนะพวกที่ยึดถือความคิดความเห็นจัดๆเนี่ย ท่านสอนนะอย่างโลปุมันนะท่านพูดเนละบอกวัดเขี่ยวคือหมาวดงาคือช้างคือแปลว่าเหมือนนั่นนะภาษาอีสานวดเขี่ยวเหมือนหมาวดงาเหมือนช้างมาหาครูบาอาจารย์จะมาเรียนธรรมะก็กลางมาเลยกูแน่กูแน่มาลนะทีนี้ไม่มีใครเ้าสอนให้หรอกนะ ใ, ใจต้องอ่อนการทรำมานะอยากถือดีถ้าถือดีปฏิบัติไม่ได้จริงหรอก พอคนอวดดื้อถือดีนะั่นมันเป็นกิเลสความอวดดื้อถือดีเป็นกิเลสอย่างแรงเลยนะจะทําให้เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้ได้แต่ของเก่าที่คิดอยู่เชื่ออยู่เป็นอยู่ทําอยู่ก็ถ้าของเก่ามันดีจริงคงพ้นทุกข์ไปแล้วละ่ะอันนี้ไม่พ้นทุกข์ก็แสดงว่ามันยังไม่ดีจริงหรอกนี่พวกเรามาเรียนกรรมฐานแนละ้วเราก็สํารวจตัวเองเป็นพวกติดสมถะนิ่งๆไหม หรือเป็นพวกยึดถือความคิดความเห็นรุนแรงถ้าใจมันเปิดนะใจมันเปิดนะจะเรียนของใหม่ได้ง่ายๆอีกตอนพระพุทธเจ้าไปพบปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อถือพวเนี้ปิดตัวเองใจเนี้ปิดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านเตือนปัญจวัคคีย์นะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะเมื่อก่อนท่านไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะ ปัญญาวิจิตรได้คิดเนี่ยเปิดใจฟังธรรมะท่าแสดงธรรมนะเขารู้เรื่องถ้าใจเราปิดนียึดถือแต่ความคิดความเห็นถ้าปัญญาวิจิตรยึดถือความคิดความเห็นแต่ว่าต้องทรมานกายถึงจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถาม่ห้ทรมานแล้วเลิกแล้วไม่มีทางบรรลุเนี่ยถ้าปฏญญาวิจิตติดอยู่แค่นี้นะก็จะไม่บรรลุพระอรหันต์ไม่บรรลุโซดาหรอกนี่เขล้าง ความยึดถือในความคิดความเห็นไปนะ <_ O> เงินพวกเราเรียนธรรมะนะอย่ากลางเขี้ยวกลางเล็บเรียน <_ O> เรียนด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมกับธรรมะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ว่ามาเคารพหลวงพ่อนะพูดเรื่อยๆว่าให้เคารพพระพุทธเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักคำสอนใดๆนะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามนะ ถ้สอนขัดกับพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคําสอนเพียเพ้ยนๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเ น, นี่พวกนับถืออาจารย์เชื่ออาจารย์ไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราจะปฏิบัติธรรมนะศึกษาให้ดีเลยเรื่องที่เราต้องศึกษามีไม่มากหรอกอย่างเรื่องอริยสัจเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดควรจะได้ยินควรจะได้ฟัง อริยสัตว์แท้เรื่องขันห้าเป็นยังไงควรจะรู้จักเรื่องไตรลักษณ์เป็นยังไงควรจะรู้จักเรื่องมหาสติปัฏฐานเรื่องสติปัฏฐานสี่ไม่มีคําว่ามหานะเรื่องของสติปัฏฐานสี่เป็นยังไงควรจะรู้จักบางคนจะเรียกว่ามหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานไม่ชื่อพระสูตร สูตรเกี่ยวกับสติปัฏฐานนะมีหลายสูตรสูตรใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดเราเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรแต่เวลาที่เราเรียนกันเราเรียนเรื่องสติปัฏฐานน ะ, จะเจริญสติปัฏฐานสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องสติปัฏฐานให้ฟังสติปัฏฐานเนี่ยเป็นวิธี ที่ท่านแอพพลายมาแล้วนะจากหลักธรรมะมากมายจากเรื่องรูปนามขันห้าเนี่ยท่านก็ย่อลงมาเป็นเรื่องสติปัฏฐานจากเรื่องไตรลักษณ์ท่านก็ย่อลงมารวมอยู่ในเรื่องสติปัฏฐานได้สมถาวิปัสสนาท่านก็ย่อลงมาอยู่ในคําสอนเรื่องสติปัฏฐานได้ดังนั้นถ้าเข้าใจสติปัฏฐานนั่นเดียวก็จะเข้าใจหมดอะสมถาวิปัสสนาก็เข้าใจไตรลักษณ์ก็เข้าใ จ, ร, ร, กกาใจรูปนามขันห้าก็เข้าใจ สุดท้าย เ, เข้าใจธรรมะนะเข้าใจธรรมะสติปฐานหมายถึงว่าการที่เรามีสติะระลึกรูนะ้อยู่กับฐาน4ฐานฐาน4ี่ฐานก็คือฐานของกายฐนะานของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกฐานของจิตคือความปรุงดีปรุงชั่วของจิตฐานของธรรมะก็คือการมีสติะระลึกรู้ รู้เห็นกระบวนการทำงานของจิตใจของธาตุของขันเห็นตัวกระบวนการมันอย่างเห็นว่านิวร์เกิดขึ้นได้ยังไงนิวรณนตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงทำยังไงนิวรจะไม่เกิดรู้กระบวนการของนิวรรู้กระบวนการของโพชงเจตโพชฌงเกิดยังไงเป็นลำดับไปยังไงพัฒนาไปยังไง รู้วิธีการรู้จากขันห้ากระบวนการทํางานของขันห้าแต่ละขันทํางานสืบเนื่องกันยังไงนะัยสัญญาและเวทนาขันเนี่ยสัญญาและเวทนานะทําให้สังขารทํางานเนี่ยสังขารเข้ามาปรุงแต่งจิตยังไงนะจิตเข้าไปแทรกแซงสภาวะต่างๆด้วยการผลักดันของสังขารยังไงนะก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไป หรือตาหูจมูกลิ้นกายนะี่นีเป็นเรื่องของกายตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะจิตทำงานต่อยังไงนะนี่เป็นเรื่องในธรรมานุปัสสนานะขอละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปสุดยอดของธรรมานุปัสสนาก็คือการเห็นอริยสัจหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทงั้นฐาน4ฐานที่เราจะเรียนเนี่ยนะก็คือฐานของกายฐานของเวทนาฐานของจิตฐานของธรรมนะ ฐานอะไรฐานของที่ตั้งของสตินั่นเองมีสติระลึกอยู่ในกายเนืองเนืองมีสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางใจนะมีสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วเนืองเนือมีสติระลึกรู้กระบวนการทํางานของธาตุของขันเนืองเนืองนะี่เป็นที่ตั้งของสติ สติปัฏฐานเนี่ยท่านเทียบว่าเหมือนประตูเมืองสี่ทิศไม่ใช่ประตูสี่ชั้นบางคนมักง่ายนะบอกสติปัฏฐานต้องเป็นประตูสี่ชั้นเพราะงั้นเริ่มต้นทุกคนต้องดูกกยเนี่ยพูดเราเองไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสติปัฏฐานนั้นเป็นประตูสีทิศเข้าประตูใดก็ถึงพระนิพพานได้แต่เวลาเจริญสติปัฏฐานต้องรู้ว่าสติปัฏฐานมีสองระดับอันหนึ่ง ทำไปเพื่อความมีสติเนืองๆ อ, อันหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดปัญญานะงั้นสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เสมอไปต้องดูก่อนนะเบื้องต้นนั้นทำไปเพื่อให้มีสติถ้าไปหยุดอยู่แค่นี้มันก็ไม่ต่อไปสู่การเจริญปัญญางั้นในสติปัฏฐานเนี่ยนะทำได้ทั้งเจริญสติเจริญปัญญานะแถมยังมีแทรกสมถะเข้าไปด้วยนะอย่างใน กายานุปัสสนาเนี่ยจะมีบทที่แทรกสมถะเข้าไปด้วยนะอย่างการรู้เรื่องธาตนะุเห็นธาตนะุจะมีมีเรื่องดูปฏิกูลดูอะไรพวกนี้อยู่นะดูอสุภะดูอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสมถะในจิตตานุปัสสนาเขามีส่วนที่เป็นสมถะได้นะคือจิตที่ไปรู้ความไปรู้ช่องว่างเรื่องอากาสารนัญนจยายตนะจิตกับจิตที่ไปรู้ความไม่มีอะไรเลย อากินจัญญายตนะจิตจิตสองอันนี้เอาไว้ทําสมถะนะงั้นในกระทั่งในจิตตานุปัสนาที่ว่าดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่เลยนะถ้าไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีครูบาอาจารย์แค่แนะนําเนี่ยมันจะปิดติดสมถะนะดูจิตก็ติดสมถานะไม่ใช่ดูจิตจะไม่มีสมถะหนะลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลด้วยซ้ําไปว่าหลวงปู่ดูลบอกว่าช่วงนี้จิตหลวงพ่อเข้าสมาธิชั้นนี้ชั้นนี้อย่าง น, นี้ หลวงพ่อบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อกำลังเจริญปัญญาอยู่นะดูจิตทำงานอยู่ท่านบอกดูจิตเนี่ยได้สมาธิอัตโนมัติเพราะเวลาบางทีเนี่ยจิตไปจับเอาความว่างความไม่มีอะไรอันนี้คือสมถะงั้นที่ดูจิตแล้วไปดูแต่ความว่างอันนี้สมถะนะต้องรู้ให้ดีในตัวกายก็มีส่วนของสมถะในตัวจิตก็มีส่วนของสมถะนิฐานสีฐานเนี่ย นะบางอย่างเป็นอารมณ์ของสมถะบางอย่างเป็นอารมณ์วิปัสสนานะบางอย่างใช้ได้ทั้งสมถะกับวิปัสสนานะอย่างอานาปนาสตินะใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาควบกันนะหรือการดูจิตนะดูความว่างเนะี่ยดูแบบนี้เป็นสมถะดูอย่างนี้เดินวิปัสสนาได้ทีนี้ก็มีนะรายละเอียดมันจะมีเยอะแยะที่เรา ยิงปฏิบัติไปนะความรู้ความเข้าใจยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอุ้สนุกมากเลยเรียนธรรมะเนี่ยสนุกจริงๆนะพระธรรมะ 84% ดหมพันพระธรรมคานี่ออกมาจากจิตนี่เองนะเรียนรู้ลงที่จิตนี่เองแล้วเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นสามสฐานนะในอารมณ์ทั้ง4ฐานเนี่ยบางงานเป็นสมถะบางงานเป็นวิปัสนาบางงานเป็นสมถะและวิปัสนาได้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าอารมณ์เป็นอารมณ์รูปนามนะ เป็นอารมณ์รูปนามจะใช้ทำวิปัสสนานได้แต่ว่าอารมณ์ที่เป็นรูปนามบางอย่างเนี่ยไปเพ่งมันเฉยๆนะก็เป็นสมถะได้ น, นี่เป็นรายละเอียดอาจจะรายละเอียดเยอะเกินที่พวกเราจะเรียนในวันเดียวนะทำไมมันมีสีฐา น, นมีสี่ฐานตั้งสีฐานกายเวทนาจิตธรรมสี่ฐานเนี่ยสำหรับคน2กลุ่มเวลาเราเรียนสมถะนะ เราจะพูดถึงจริตหอย่างราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนะพุทธที่จริตวิตกจริตศรัทธาจริตเราเคยได้ยินไหมจริตจริตหอย่างเนี่ยไว้เลือกอารมณ์ทำสมถะเวลาที่เราจะทํำมิปัสสนาเราดูจริตมีสองอย่างเองนะชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอะไรเงี้ย อีกอันหนึ่งทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงวันๆ น, น, นั่ ง, งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไ ร, ต, ออะไรตลอดเวลาเจออะไรก็ช่างคิดไปหมดเลยเนี่ยนิสัยควรสาหรับทํำวิปัสสนานะเราดูสองจำพวกนี้ถ้าพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเหมาะที่จะดูกายและเวทนาเพราะอะไรเพราะกายและเวทนาจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะ กาและเวทนานสอนให้เห็นเลยว่าธาตุขันเนีย่ยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งำเนะตม็มไปด้วยความทุกขนะ์ส่วนพวกทิฏฐิเฉลิตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยจิตฟุ้งทั้งวันเลยจิตเปลี่ยนแปลงทั้งวันคิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้ร้ายคิดเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างงี้จิตใจเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้ ว, ว, ว, วทั้งวันเลยกรรมาฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะมันประณีตนะมันเห็นกระบวนการทํางานใช่ไหม พวกชอบคิดชอบศึกษาชอบเรียนรู้เนี่ยเหมาะมากเลยกันเพระงั้นตัณหาจริตเนี่ยมีกรรมฐานสองฐานนะคือกายและเวทนาทิฏฐิจริตมีกรรมฐาน2องฐานคือจิตกระทำทำไมต้องมี2ฐานนะเพราะว่าอินทรีย์แต่ละคนเนี่ยแก่กล้าไม่เท่ากันพวกที่ยังไม่แก่กล้านะพวกตัณหาจริตที่ยังไม่แก่กล้าให้ดูกาย ถ้อินทรีย์แก่กล้านะปัญญาแก่กล้าแล้วละอะไรเงี้ยจะดูเวทนานได้ดีพวกดูจิตก็เหมือนกันถ้าดูจิตหัดใหม่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าปัญญาไม่แก่กล้านะดูจิตที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลไปนะเช่นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคานะยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะนะดูง่ายๆยอย่างนี้ เนี่ยพวกจิตตานุปัสสนาพวะอินทรีย์ยังไม่แข็งถ้าพวกปัญญาแก่กล้าจะขึ้นไปทำมานุปัสสนาจะเห็นกระบวนการทำงานของมันไเลยตันะ้งแต่จิตใจมันทำงานยังไงมันปรุงนิวรณ์ยังไงมันพัฒนาโพชฌงค์ขึ้นยังไงขันมันทำงานได้ยังไงนะทา่าต่างๆนะเห็นทา่าเห็นขันเห็นอะพวกนี้ทำงานอายตนะทำงานนะเห็นปฏิจจสมบัติเป็นกระบวนการทำงานที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมา อันนี้เหมาะกับพวกที่ใยในการเรียนรู้มากเลยพวกที่ปัญญาแก่กล้างนพวกเรานะถ้าเริ่มต้นนะหลวงพ่อแนะนำว่าดูกายหรือดูจิตถ้าแก่กล้าคือเราค่อยดูเวทนาหรือดูทมธรรมานุปัสสนานะเราถือว่าพวกเราอินทรีย์อ่อนไว้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าอินทรีย์เราแก่กล้านะเราดูกายหรือดูจิตไปสักพักเดียวมันก็โดดขึ้นเวทนาโดดขึ้นธรรมานุปัสสนาไปเองเละ วิธีดูกายนะวิธีดูกายกับวิธีดูจิตก็ไม่เหมือนกันนะวิธีดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะหมายถึงขณะนี้เลยร่างกายเคลื่อนไหวเนี่อรู้สึกอยู่ในขณะนี้เลยนะวิธีดูจิตจะตามดูเห็นความรู้สึกนะที่ดับไปสดๆร้อนๆต้องสดๆร้อนๆนะอย่างเมื่อวานกโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานกโกรธอันนี้ไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ทำสติอะไรเลยนะเป็นการคิดตามหลัง โกรธนะโกรธขึ้นมา5นาทีแล้วยังไม่ท่านจะหายโกรธละลึกได้ว่าโกรธเนี่ยนี่อย่างนี้ความโกรธขาดสะ บ, บั้นต่อหน้าต่อตา อ, อย่างนี้ถึงใช้ได้นะกำลังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธไม่มีเพราะกาลังโกรธเนี่ยจิตเป็นอกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลสติไม่เกิดออกสติจะไม่เกิดร่วมกับจิตนะที่เป็นอกุศลนี่เป็นกฎของธรรมะนะสติจะไม่เกิดร่วมกับจิตอกุศลเด็ดขาดเลยต้เป็นจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นถึงจะมีสติ เพราะฉนั้นถ้าจิตเรามีราคาโทสะโมหะเนื้อในขณะนั้นเราจะรู้ว่าจิตมีราคาโทสะโมหะไม่ไดนะ้มีราคาโทสะโมหะไปก่อนแล้วเรามีสติรู้ทันขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้มีราคาโทสะโมหะราคาโทสะโมหะก็ขาดสะบั้นไปเลยนะตัวตัวรู้เกิดขึ้นมาไม่มีราคาโทสะโมหะแล้วเนะนี่ยดูก็ไม่เหมือนกันนะแล้วดูยังไงมีสติดูยังไงมีปัญญา การเจริญสติปัฏฐานทำยังไงให้มีสติทำยังไงให้มีปัญญาไม่เหมือนกันเจริญสติปัฏฐานให้มีสตินั้นก็คือสติเกิดจากอะไรต้องรู้อันนี้ก่อนสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นยำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมาแม่นยำนะพอสภาวะรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่จิตจำได้แล้วแม่นยำเกิดขึ้นสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัติ ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งจิตให้ผลิตสติขึ้นมาได้เพราะจิตก็เป็นอนัตตาแต่สติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติก็คือการที่จิตจาสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่ของเรานะเรามีสติคอยะระลึกรู้เนี่ยเราคอยดูไปคอยนึกถึงร่างกายคอยรู้สึกถึงร่างกายคอยรู้สึกถึงจิตใจของเราไปเรื่อยนะ ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเนี่ยสมมุติาเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยทำสติปัฏฐานหมวดกายนะใช้บัพเะของอนาปนาสติเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะคอยรู้สึกถึงร่างกายหายใจออกหายใจเข้าบ่อยๆหรือรู้สึกถึงร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆอันนี้เรียกว่าอิริยบบาบถบัพเพะนะรู้อิริยาบถอยู่ในกายานุปัสสนาหมวดกายเหมือนกัน เรู้เห็นร่างกายมันหายใจนะหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอะไรเงี้ยค่อยทําทเรื่อยๆต่อมาเวลาใจลอยใจลอยเนี่ยนะเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยสวยเดินมานะใจเราตื่นเต้นชอบเขาเนี่ยพอตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะมันจะหายใจแรงขึ้นมาหน่อยหรือว่าเวลากลัวลมหายใจจะแรงขึ้นเห็นไหมเวลาราคะเกิดเวลาโทสะเกิดเนี่ยลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะอันนี้ใครเคยเห็นบ้าง ใครรู้สึกไหมเวลาราคาโทสะเกิดนี่ลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะยิ่งราคาแรงๆโทสะแรงๆนีลมหายใจยิ่งเปลี่ยนมากเลยเพรดังนั้นเวลาที่ใจเราเปลี่ยนนะใจเราเผลอไปเห็นสาวงามเดินมาราคาเกิดขึ้นลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวนี่สตรีมจะระลึกได้เลยปุ๊บเลยระลึกถึงลมหายใจอนั้นที่แรกลมหายใจสม่ําเสมอจิตยังเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอลมหายใจ เปียนนิดเดียวธ่านสติจ ะ, ะระลึกรู้เลยนะเลยหลวงพ่อเคยนะไปหาหลวงพ่อเทียนไปตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วแต่ว่าอยากรู้จักท่านอยากเห็นท่านเพราะท่านมีชื่อเสียงเข้าไปวัดสนามในเห็นท่านกําลังสอนโยมอยู่นะสาราท่านผอมๆแคบๆเป็นไม้นะท่านก็สอนทําให้ดูขยับให้ดูเรดูท่านขยับแนละ้วเออหลวงพ่อเทียนขยับเป็นไงวะขยับแล้วรู้สึกตัวนะพวกที่ไปเรียนกับท่านคงพวกหันใหม่นะ พวกหนึ่งก็นั่งคิดท่านี้แล้วจะท่าไหนาวะไม่ได้มีสติอะไรหรอกนะนั่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งขยับชำนาญนลน้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยนะใจลอยออกไปนอกวัดเลยแต่มือนี่แหมขยับสวยเป๊ะๆ เ, เ, เลยอีกพวกหนึ่งเคร่งเครียดเพ่งอยู่ที่มืออจิต จ, จับอยู่ที่มือแน่นๆอยนีหน้าตานะเคร่งเครียดดูก็รู้ละแล้วเห็นเข้าปฏิบัติกันหลายๆแบบโอ้หลวงพ่อเทียนก็ทําเป็นเหมือนกันนะแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้นะนั่งขยับบ้าง ที่แรกก็ขยับไม่ถูกจังหวะเขาหรอกนะขยับไปขยับมาโอ้ตั้ง14จังหวะใช่ไหมชักลำแขวนมันเยอะไปนะเอาแค่นี้ก็ได้นะเหลือนิดเดียวนะเหลือนิดเดียวกลับมาบ้านเขมาพัฒนาต่อเหลือแค่นี้เองนะ <c oughs> นะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะใช้หลักเดียวกันใช่ไหมไปเห็นท่านทําขยับมาสิบกว่าจังหวะนะเราเหลือแค่นี้เราก็ทําไดนะ้มันอยู่ที่เราเข้าใจหลักแหละ วันหนึ่งนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอกันหลายปีมันอยู่คนละฝั่งถนนมันเดินมามันยังไม่ทันเห็นเราเราเห็นมันก็ดีใจขยับเท้าจะ ข, าข้ามถนนจะไปคุยกับมันพอเท้าเคลื่อนท่านั่นเองนะสติระลึกได้เลยเพราะอะไรเพราะเราเคยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกนั้นพอเท้าเคลื่อนนะไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนัมันรู้สึกขึ้นมาอัตโนมัติอันนี้แหละสติเกิดแล้ว เมื่ราต้องฝึกเจกนกระทั่งมัอัตโนมัติหรือหัดดูจิตดูใจนะราคาโทสะโมหะหรือสุขทุกข์อะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้บ่อยๆการที่รู้บ่อยๆต่อมาพอเราเผลอตัวราคาโทสะเกิดหรือความสุขความทุกข์เกิดมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นในจิตเนี่ยสติจ ะ, ะระลึกได้เองเลยแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยเพั้นเราหัดรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะแล้วสติอัตโนมัติมันจะเกิดเพราะว่าจิตมันจําสภาวะได้แม่นนะ ถ้าฝึกอย่างนี้นะสติต้องฝึกจนถึงขั้นอัตโนมัตินะสมาธิก็ต้องฝึกถึงขั้นอัตโนมัติปัญญาก็ต้องฝึกเดินปัญญาจนถึงขั้นอัตโนมัติคือเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาจะเห็นนะสมาธิจิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาประคับประคองไว้นี่ต้องฝึกจนถึงสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะอริยมรรคถึงจะเกิดได้ถ้ายังเจือด้วยความจงใจจะมีสติเชือความจงใจจะมีสมาธิเจือความจงใจจะเดินปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อริยมรรคจะไม่เกิด เพราะอะไรความจงใจนะคือโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาทางใจเรื่องมโนสัญญาเจตนานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้จิตกระทำกรรมนะจิตจะไปปรุงสร้างพบสร้างชาติจิตจะไปทำกรรมขึ้นมาไม่มีทางหรอกที่อริมากจะเกิดในขณะนั้นนะแถมเป็นโลภะด้วยนะเป็นโลภะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะถ้ามีกิเลสอยู่เบื้องหลัง มีการกระทำกรรมเกิดขึ้นในระหว่างที่จะทำกรรมอยู่นั้นกิเลสจะยังอยู่เขาเรียกว่ากิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมกิเลสจะยังอยู่แล้วสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดหรอกนั่นต้องฝึกจนอัตโนมัตินะวิธีฝึกให้สติอัตโนมัติก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆถนัดรู้สึกกายก็รู้สึกกายถนัดรู้สึกใจก็รู้สึกใจนะจนกระทั่งต่อไปมันรู้สึกได้เอง ร่างกายเคลื hmm. ่อนไหวสติระลึกเองจิตใจเคลื <sh arc astic manera> so ่อนไหวสติระลึกได้เองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแล้วพอมีสติแล้วถ้ามาฝึกให้จิตตั้งมั่นนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้จิตตั้งมั่นก็ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตมันเคลื่อนไปเพ่งในอารมณ์ก็รู้ทันอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะ สติะระลึกอัตโนมัตินะรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนปั๊บจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่เคลื่อนมีกิเลสตัวหนึ่งชื่ออุทธัจจะผลักดันอยู่นะ ท, ทันทีที่สติเกิดะระลึกได้ว่ามีอุทธัจจะมีความมีความฟุ้งไปของจิตอุทธัจจะจะดับเพราะสติเกิดเมื่อไหร่อคุสดับเมืนะ่อนั้นจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติขึ้นมาเลยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเนี่เราต้องฝึกบ่อยๆนะ ต้วันทาในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์ไปก็ได้นะเราหังสัมมาแล้วจิตหนีไปคิดรู้จิตไปเพ่งอะไรนิ่งๆไว้ก็รู้รู้ทานจิตที่เคลื่อนไปขึ้นมาในที่สุดสมาธิมันจะเกิดนะจนกระทั่งต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวคลิกเดียวนะสติระลึกได้จิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนี่เราจะได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาปัญญาอัตโนมัติก็คือถ้าเบื้องต้นต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์กันพอจิตตั้งมั่นนะ ถ้าหลักปฏิบัติที่จะเดินปัญญาเนี่ยมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางคือจิตที่มีสมรธิมีตัวรู้นั่นเองนะถ้าจิตเป็นตัวรู้แล้วเรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้เป็นกลางแล้วไม่เข้าไปแทรกแทงเราจะเห็นความเป็นจริงของของธาตุของขันของกายของใจแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เห็นความจริงได้นะต้องหัดแยกธาตุแยกขันซะก่อนนะ ค่อยๆหัดดูไปอย่างเรานั่งหายใจไปนะนั่งหายใจไปไม่ได้นั่งหายใจเพื่อฝึกให้มีสติแล้วคนละขั้นกันแล้วอันนี้จะฝึกให้มีปัญญาแล้วนั่งหายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอนนี้สุดก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันขันแยกแล้วอย่างนี้ขันแยกแล้วนะนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็เห็นอีกความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายนะไม่ใช่ร่างกายมันมาทีหลังนะ แล้ก็มันไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เราแยกออกมาอีกขันหนึ่งแล้วเรียกว่าเวทนาขันพอปวดมากๆเราอย่าเพิ่งขยับนะนั่งทนทนไปใจเราชักกระสับกระสายแล้วมันริ้นรนแล้วอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วรู้ทันใจที่อยากไว้นะความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะความปวดเมื่อยเกิดที่กายแต่ความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเกิดที่ใจเป็นคนะขันกับเวทนานะตัวนี้เรียกว่าสังขารละขันความปรุงของจิตจิตเป็นคนดูนะ จิตเดี๋ยวก็ไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เรื่องราวทางใจนะจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกเขาเรียกว่าวิญญาณเขเลยเรียกว่าวิญญาณขันเราจะเห็นเลเดี๋ยวจิตเขาวิ่งไปที่ตาเดี๋ยวเขาวิ่งไปทางหูเดี๋ยวเขาวิ่งไปทางใจเนี่ยหัดแยกขันไปเรื่อยนะพอแยกขันได้แล้วต่อไปขันแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูให้มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายคือขันแต่ละตัวแต่ละตัวที่มีอยู่นะ มีสติะระลึกรู้นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี่ยเราจะเห็นความจริงของขันแต่ละขันของรูปแต่ละรูปของนามแต่ละนามเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะั้นตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงการถูกบีบคั้นคือเป็นทุกข์การบังคับไม่ได้คือเป็นอนัตตานี่คือการเจริญสติปัฏฐานในขั้นเจริญปัญญานะงั้นถ้าแต่ว่าตรงนี้พูดมานานพวกเราจะตกะใจยากชะมัดเลยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย เอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆง่ายๆง่ายแล้วไม่รู้จะง่ายกว่านี้ยังไงแล้วรู้จักความสุขไหมรู้จักความสุขไหมเวลาส บ, บายใจรู้จักไหมเวลาเป็นทุกข์ใจรู้จักไหมต่อเป็นนี้สังเกตที่ใจง่ายๆนะใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าใจมีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันนะ <S <S 2> <S 2> <S มันดูอยู่ไม่กี่อย่างเองมันดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆดูแค่สามัญหนึ่งจะยากอะไรนักหนา เรามีความสุขเราก็รู้ว่ากําลังมีความสุขมีความทุกข์ก็รู้ว่ากําลังมีความทุกข์ใจเฉยๆรู้ว่ากําลังเฉยๆอยู่นี่หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะความสุขผุดขึ้นนิดเดียวสติระลึกได้เราได้สติลนะแล้วนะเราค่อยๆสังเกตไปความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าใจเราเป็นคนดูอยู่ขันมันแยกนะความสุขกับจิตนี่แยกออกจากกันอีกว่นะาจะเห็นเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความเฉยๆอยู่ช่วคราวแล้วก็หายใจเราเป็นคนดูอยู่มันเหมือนสุขทุกข์เฉยๆแสดงละครให้จิตดูจิตเป็นแค่คนดูความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความเฉยมาแล้วก็ไปดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเวัน7เดือน7ปีในสุดจิตจะเกิดปัญญาปัญญานี่คือความรู้รวบยอดของจิตความรู้รวบยอดที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา มันทำไมมันสรุปขึ้นมาได้เพราะมันเห็นอยู่แล้วความรู้สึกทุกชนิดนะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะเฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะในสุดจิตมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะนี่ก็เป็นพระโสดาบันได้นะเพราะงั้นที่ฝั่งหลวงพ่อมายาวแสนยาวแล้วงงระหะอะไรก็ไม่รู้เยอะใครจะไปจําได้นะไม่มีใครจําได้หรอกต้องไปฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะแต่ว่าเอาหลักปฏิบัติง่ายๆไปเลยนะ ก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไว้คนไหนรู้ความโลภความโกรธความหลงได้ชัดก็รู้ความโกรธโลภโกรธหลงอะไรไปคนไหนรู้ไม่เป็นรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็รู้ไปนะรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยรู้ไปด้วยการที่เราคอยรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยนะสบายมากเลยเพราะอารมณ์ทางใจของเราหมุนเวียนอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะมีแต่ความไม่เที่ยงให้เห็นนะพวกคิดมากเนี่ยให้คอยรู้อารมณ์ทางใจไว้ให้ดีจะหมุนติ้วติ้ติติอยู่ทั้งวันเลยนะ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวโรคเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นของชั่วคราวดูซ้ําๆๆๆไปเรื่อยจนกรทั่งจิตมันได้ข้อยุติจิตมันยอมรับแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่คือธรรมะของขั้นพระโสดาบันนะธรรมะสูงจากนี้ไป ก, ก, ก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วมันเป็นอะไร ก็สิ่งที่เกิดที่ดับเ้ราะมันมันไม่ใช่ตัวเราที่พระโสดาบันเห็นอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เห็นแจ้งว่าขันเป็นตัวทุกข์นะการสลัดคืนขันให้โลกจะเกิดขึ้นถ้าคืนได้หมดจดนะจิตจิตคือขันดวงสุดท้ายเลยที่เราจะสลัดคืนโลกถ้าสลัดคืนจิตให้โลกได้นะคืนตัวรู้ให้โลกได้นะที่สุดของกองทุกข์อยู่ตรงนั้นเองจิตจะไม่ได้ยึดถืออะไรอีกแล้วแม้กระทั่งตัวจิตเอง ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่ว่าไม่เข้าไปยึดถืออะไรเลยนะในขันธ์ทั้ง5้านี้ไม่ยึดถืออะไรเลยในโลกนี้นะหรือโลกไหนๆก็ไม่ยึดถือเลยนะที่สุดของทุกข์ไปอยู่ตรงนั้นในพวกเราค่อยหัดนะง่ายที่สุดเลยนะสรุปถือศีลห้าไว้ข้อ2ทุกวันควรจะทําในรูปแบบ10นาที15นาทีก็ต้องทำนะํำแต่ทําแล้วไม่เลิกนะต้องทํา จะลำบากยากเข็นยังไงจะเจ็บไข้ได้ป่วยไงเขาพยายามทำไหมเราจะได้พลังที่มากมายขึ้นมานะเวลาฝึกในรูปแบบนะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลอะไรรู้ฝึกบ่อยๆนะแล้วก็ในชีวิตประจําวันเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆใ น, ในใจรู้ไปด้วยนะในสุดปัญญาก็เกิดเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะพอจําได้ไหมสรุปแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ประโยคแล้วนะ ถือศีลห้าไว้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตมันไหลจะได้สมาธิจิตจะอยู่กันเนื้อกับตัวทําในรูปแบบแล้วรู้ทันจิตที่ไหลจะได้จิตที่อยู่กับตัวแล้วจเจริญปัญญานะเห็นความรู้สึกมันเกินดับไปนะเท่านี้แหละนะทําไป7วัน7เดือน7จ็ดปนะีถ้าไม่ดีเกินหรือเร็วเกินก็ได้ธรรมะบ้างแหละพวกดีเกินอย่างพวกหวังพุทธภูมิติดพุดทธภูมิอยู่ไม่ไปนะไม่ไปมรรคผลเอาไปกินข้าวไป